ศยศาสตร์ดีอย่างไรพุทธศาสตร์ว่าอย่างไรชาวพุทธจะปฏิบัติตัวอย่างไรทำอย่างไรจะพ้นเคราะห์ได้จริงสิ่งอ่านหนังสือถ้าอยากพ้นวิกฤตต้องเลิกติดศยศาสตร์โดยสมเด็จพระพุทธโคสาาจารย์ปออปยุตโตจัดทาเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดยครอบครัวลิวสัมฤทธิ์และครอบครัวพันเกศมงคล วา น, นี้ได้พูดให้ญาติโยมฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่บางคนเรียกว่าเป็นวิกฤตการทางเศรษฐกิจผู้คนมีความเดือดร้อนเพราะปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองในสภาพเช่นนี้จะต้องมีการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเพื่อจะอยู่ด้วยดีและเพื่อจะแก้ปัญหาให้เสร็จสิ้นไปอัตอมาก็เลยได้พูดถึงคติอย่างหนึ่งในการปฏิบัติต่อปัญหาหรือสถานการณ์อย่างนี้ว่าคนฉลาด ทำเคราะห์ให้เป็นโอกาสแต่คนประมาททำโอกาสให้เป็นเคราะห์นี่เป็นคติตามหลักพระพุทธศาสนาที่สอนไว้ว่าเมื่อเราประสบสถานการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตามต้องหาประโยชน์จากมันให้ได้แม้แต่เป็นเคราะห์ก็ต้องทำให้เป็นโอกาสหรือหาประโยชน์จากเคราะห์นั้นให้ได้คตินี้ถ้าเป็นคนไม่ประมาทและเป็นคนฉลาดก็สามารถทาได้ อย่างน้อยก็ถือเป็นโอกาสที่จะกระตุ้นเตือนให้คนของเราได้สติแล้วก็มีความเข้มแข็งแต่ถ้ามัวคร่ำครวญโอดโอยตีโพยตีพายกันอยู่ก็เสียเวลาเปล่าเปล่าและเป็นการซ้ำเติมตัวเองด้วยเมื่อพูดถึงคตินี้ไปแล้วก็มีอาจารย์ที่เป็นผู้ฟังท่านหนึ่งตั้งคอสังเกตขึ้นว่าเมืองไทยเวลานี้คนไม่ค่อยทาเคราะห์ให้เป็นโอกาสแต่เวลามีเคราะห์ก็ไปสะดอเคราะห์ อันนี้ก็เป็นสภาพของสังคมไทยอย่างหนึ่งซึ่งเป็นข้อที่น่าพิจารณาวันนี้ก็เลยจะพูดเรื่องการสะดอกเคราะห์ไสยศาสตร์ดีอย่างไรการสะดอกเคราะห์นี้เป็นวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความเชื่อถือในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องไสยศาสตร์หรือเรื่องอำนาจดลบรรดาล ซึ่งเวลานี้แพร่หลายมากในสังคมไทยเราควรจะวิเคราะห์ดูข้อดีข้อเสียคนที่สะดากเคราะนั้นสิ่งที่ได้อย่างหนึ่งก็คือความสบายใจทำให้เกิดความอุ่นใจขึ้นหรืออาจจะมีความหวังและคนก็มองว่าการสะดอกเคราะและเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออำนาจดุลบันดาลทั้งหลายนี้เป็นเรื่องศาสนาก็เลยมีผู้พูดกันว่า ศา ส, สนานั้นมีความหมายว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจช่วยปลอบประโลมจิตใจบำรุงขวัญมองในแง่นี้ก็เป็นประโยชน์อยู่แต่ต้องพิจารณาหลายชั้นเรื่องของศยศาสตร์และความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิริปาฏิหารินี้ทางพระพุทธศาสนาให้มองในแง่ของการปฏิบัติคือไม่สนใจในเรื่องที่ว่าจริงหรือไม่จริง คนทั่วไปมักจะเถียงกันในแง่ว่าจริงหรือไม่จริงแต่พระพุทธศาสนาสอนในแง่ว่าความเชื่อและการปฏิบัติในเรื่องจาพวกนี้มีคุณมีโทษอย่างไรมากกว่าเราะจะเถียงกันว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยไม่รู้จักจบและไม่มีใครแพ้ชนะเด็ดขาดนอกจากนั้นถึงแม้ถ้าเป็นจริงแต่ถ้ามีโทษมากกว่าคุณก็ไม่ควรเอาด้วย ข้อพิจารณาที่สำคัญก็คือมองในแง่คุณและโทษในแง่นี้ทางพระพุทธศาสนาให้มองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเป็นกลางกลางคือมองทั้งแง่ดีและแง่เสียทั้งแง่คุณและแง่โทษเมื่อเช้าก็ได้พูดถึงเรื่องการอ้อนวอนเทพเจ้าไปนิดหน่อยโดยยกตัวอย่างเรื่องมหาชนกมาให้ฟังว่าเมื่อเรือแตกกลางทะเลคนทั้งหลายมแต่ร่าไห้กร้าครวญบ้างอ้อนวอนขอให้เทพเจ้าช่วยบ้าง ก็ตายกันหมดแต่มหาชนกเอาเวลาระหว่างนั้นมาใช้สติปัญญาพิจารณาแก้ไขสถานการณ์โดยเตรียมตัวให้พร้อมที่จะว่ายน้ำทะเลจึงรอดมาได้เรื่องไซยาสตร์เรื่องความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเรื่องการอ้อนวอนเทวดานี้มีประโยชน์อะไรบ้าง 1. อย่างที่บอกเมื่อกี้คือช่วยปลอบประโลมใจบำรุงขวัญ ขณะที่จิตใจกำลังเร่าร้อนกระวนกระวายก็ทำให้สงบลงได้ในขณะที่ตื่นกลัวหวาดผวาก็อาจจะทำให้นอนหลับลงไปได้แล้วก็อยู่ด้วยความหวังสองต่อจากปลอบประโลมขวัญก็เกิดกำลังใจขณะที่ท้อแท้หดหูพอทำพิธีแล้วก็อาจจะเกิดกำลังใจขึ้นมาบ้าง 3. แล้วต่อไปก็คือถ้ามีความเชื่อมากก็อาจจะทำให้เกิดความมั่นใจเมื่อมั่นใจก็ทำให้เกิดความเข้มแข็งเช่นมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อบูชาแล้วเกิดความมั่นใจก็เข้มแข็งขึ้นมาที่ว่ามานี้ก็เป็นประโยชน์ส่วนที่จะได้ผลสาเร็จจริงหรือไม่ก็เถียงกันไปอย่างที่ว่าเมื่อกี้ไม่เด็ดขาดไม่จ่แจ้งลงไป ที่พูดในแง่ปลอบประโลมใจบำรุงขวัญเกิดกำลังใจตลอดจนให้เกิดความมั่นใจนั้นเรามองดูก็เป็นคุณในประโยชน์แต่จะต้องมองอีกด้านหนึ่งคือด้านเป็นโทษบ้างด้านเป็นโทษมีอะไรบ้างคนเราเวลามีทุกข์มีภัยก็สแสวงหาหนทางที่จะหลุดพ้นไปมีปัญหาก็หาทางแก้ไข แต่พอเกิดความรู้สึกอุ่นใจสบายใจขึ้นมาก็ชักจะนอนใจหรืออาจจะรอคอยด้วยความหวังก็เลยไม่ดิ้นรนขวนควายถ้าเป็นอย่างนี้ก็ทำให้เกิดความประมาทนี้เป็นข้อแรกที่ต้องระวังทีนี้การเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจดลบัรดาลและศยศาสตร์มีลักษณะที่รวมกันคือ 1. ใช้ศรัทธาเอาความเชื่อเป็นหลัก คือไม่เกิดจากความรู้ความจริงตัวเราเองไม่รู้ความจริงของเรื่องนั้นสิ่งนั้น 2. เมื่อเป็นความเชื่อก็ต้องพึงอาศัยสิ่งที่อยู่นอกตัวคือขึ้นต่ออำนาจดุลบันดาลเราอำนาจนอกตัวต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาช่วย 3. สิ่งอื่นหรื่องอำนาจดุลบันดาลภายนอกนั้นมาทาให้เรา เราไม่ต้องทำเองแล้วเราทำเองไม่ได้มีเป็นจุดที่สำคัญเรามองไม่เห็นกระบวนการของความเป็นเหตุเป็นผลว่ามันสำเร็จได้อย่างไรเมื่อเราเชื่ออย่างนี้แล้วเราอาจจะเกิดกำลังใจเกิดความอุ่นใจปลอบประลมใจเสร็จแล้วเราก็เลยเบาใจสบายใจแล้วก็ไม่ดิ้นรนขวนขวายทีนี้โทษก็เกิดขึ้นตอนที่ว่าอุ่นใจสบายใจนั้น ความอุ่นใจสบายใจไม่ได้เกิดจากการรู้เห็นชัดๆว่ามันจะสาเร็จได้อย่างไรเพียงแต่เชื่อว่าจะสาเร็จตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่รอก็เลยไม่ดิ้นรนควนควายเมื่อไม่ได้แก้ไขปัญหาต่อไปปัญหานั้นก็อาจจะร้ายแรงขึ้นมาอย่างน้อยก็ง่อนเงียนเพราะตัวเองไม่รู้และมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของตัวเอง พุทธศาสตร์ว่าอย่างไรตอนนี้ก็มาพิจารณาหลักการในทางพุทธศาสนาโดยมองเทียบจากข้อเสียของศยศาสตร์ 1. เราควรจะทําการให้สําเร็จผลที่ต้องการด้วยความเพียรพยายามของตนเองคือให้สําเร็จด้วยการกระทําเมื่อสิ่งนั้นสําเร็จด้วยการกระทําของเราเราจะเห็นเหตุเห็นผลจะแจ้ง คือมองเห็นความเป็นเหตุเป็นผลในการกระทากับผลที่สำเร็จตามมาไม่เหมือนกับผลที่เกิดจากผู้อื่นทำให้และผู้อื่นที่ว่านั้นเป็นอำนาจเร้นลับที่เราไม่เห็นเลยไม่สามารถรู้จะแจ้งลงไปว่าผลจะเกิดหรือไม่เกิดได้แต่เชื่อได้แต่รอไปฉะนั้นการเชื่อในการกระทานี่เด็ดขาดกว่านี่หนึ่งแล้ว 2. คนที่ไปหวังพึ่งสิ่งภายนอกโดนบันดาลหรือทำให้นั้นไม่พัฒนาตนเองเราไปฝากให้ท่านทำให้แล้วก็รอสิปัญหานั้นตัวเองไม่ได้คิดแก้ไขรอผลโดนบันดาลให้ตัวเองไม่ได้คิดไม่ได้ทำก็ไม่ได้พัฒนาตนเองคนเรานี้จะพัฒนามีความเก่งกล้าสามารถขึ้นได้ก็โดยการที่ว่า ได้ฝึกได้หัดได้ทดลองได้ทำได้คิดเมื่อปล่อยปัญหาให้อำนาจภายนอกช่วยไปแล้วไม่ได้คิดไม่ได้แก้ไขมัวไปหวังพึ่งท่านอยู่ตัวเองก็ไม่พัฒนาสติปัญญาความสามารถในการกระทำก็ไม่ได้ฝึกปรือก็เลยไม่มีอะไรดีขึ้นในตนเองเสียสองแล้วคือไม่มีการพัฒนาตนเองส การที่จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นต่ออำนาจภายนอกที่เรามองไม่เห็นนั้นเราไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นอิสระขาดอิสระหมดอิสระภาพพึ่งตนเองไม่ได้นี่ประการที่สามการพัฒนาตนเองจะมาสัมพันธ์กับการพึ่งตนเองได้เมื่อเราพัฒนาตนเองฝึกปรือตอนเองต่อไปเราก็สามารถพึ่งตัวเองได้เป็นอิสระแก่ตัวเอง พระพุทธศาสนานั้นมีลักษณะสําสคัญอย่างหนึ่งคือพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ลูกศิษย์สามารถพึ่งตนเองได้ไม่ยอมให้มามัวรอพึ่งม้แต่พระองค์เองพระองค์ต้องการให้ทุกคนเป็นอิสระให้เขาพึ่งตนเองได้ไม่ต้องมาขึ้นต่อพระองค์พระพุทธเจ้าช่วยคนให้เขาพึ่งตัวเองได้ทรงช่วยให้เขาเข้มแข็งไม่ใช่ช่วยให้เขาอ่อนแอแล้วได้แต่คอยรอให้พระองค์ช่วย และสี่ที่พูดไปแล้วก็คือทำให้เกิดความประมาทเราไปรอหวังผลรอให้ท่านช่วยเราก็ปล่อยเวลาไปไม่ได้ทำอะไรมัวแต่อุ่นใจเลยไม่ลุกขึ้นดิ้นรนควนขวายแก้ไขปัญหาสำหรับข้อเสียนี้เมื่อมองในแง่แต่ละคนเฉพาะหน้าก็ปล่อยปละละเลยทำให้ปัญหาหมักหมมไม่ได้แก้ในระยะยาว ถ้าเคยตัวอย่างนี้ก็เลยมีนิสัยไม่ดิ้นรนขวนขวายชอบรอหวังพึ่งอยู่ด้วยความหวังเรียกว่ามีนิสัยประมาทมองในแง่สังคมเมื่อคนทั่วไปเชื่อกันอย่างนี้ก็ไม่มีการดิ้นรนขวนขวายแก้ไขปัญหาและทำการสร้างสรรค์สู่สังคมที่เขามีความเดือดร้อนไม่มีใครช่วยเหลือเลยก็ไม่ได้สังคมแบบนั้น เมื่อถูกภัยบีบคั้นคุกคามแล้วหาทางแก้ไขตัวเองดิ้นรนไปมาก็ทำให้เจริญเข้มแข็งขึ้นมาได้ในแง่นี้นับว่าเป็นโทษมากทีนี้เราก็ดูว่าโทษกับคุณ น, นี่คุ้มกันไหมเมื่อมองในระยะยาวและในแง่สังคมส่วนรวมแม้แต่ถ้ามันจะได้ผลจริงบ้างก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนา ท่านจึงวางหลักการไว้ว่า 1. ให้ทำการให้สำเร็จด้วยความเพียรของตัวเองตามเหตุตามผล 2. ให้ใช้เรื่องนั้นปัญหานั้นสิ่งที่ต้องทำหรือสิ่งที่ต้องเผชินั้นเป็นเครื่องมือหรือเป็นเวทีในการฝึกฝนพัฒนาตนเองคนเราจะต้องศึกษาต้องเรียนรู้พัฒนาตนเองจะได้มีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น ถ้ามองในแง่ชีวิตคนชีวิตก็จะดีขึ้นมองในแง่สังคมสังคมก็จเจริญก้าวหน้าพัฒนาขึ้น 3. อย่างที่ว่าแล้วให้รู้จักพึ่งตนเองจะได้มีอิสรภาพและพึ่งตนเองได้ 4. ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่ต้องรอให้มีอะไรมากระตุ้นหรือมีภัยมาบีบคั้นคุกคาม เราก็ลุกขึ้นกระตรือรือร้นขวนขวายไม่ประมาทอยู่เสมอความไม่ประมาทนี่สำคัญมากในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเน้นเป็นอย่างยิ่งแม้แต่จะาพระรินิพานก็ตรัสว่าเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้สาเร็จด้วยความไม่ประมาทพูดง่ายง่ายว่าจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเพราะฉะนั้น ในพระพุทธศาสนานี้เรื่องของการพึ่งอำนาจดลบรรดาลภายนอกหรือลทัทธิรอผลดลบรรดาลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไซยศาสตร์หรือการพึ่งอำนาจเทพเจ้าอะไรก็ตามพระพุทธศาสนาจึงไม่สนับสนุนไม่ใช่ว่าท่านว่าไม่จริงแต่โทษมันมากกว่าคุณมันทําให้เสียหลักสี่ประการที่ว่านี้ถ้าใครจะถามก็บอกได้เลยว่ามันขัดหลักพุทธศาสนาสี่ประการ 1>, 1. ขัดหลักการกระทาให้สำเร็จด้วยความเพียรพยายามตามเหตุตามผล 2. ขัดหลักการฝึกฝนพัฒนาตนเอง 3. ขัดหลักการพึ่งตนเองและมีอิสรภาพ 4. ขัดหลักความไม่ประมาทการเชื่อถือวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้ทำให้คนหลงเพลินคอยรอ แล้วก็อาจจะงอมืองอเท้าไม่ทำอะไรทำให้ปล่อยปละละเลยกิจที่ควรทาแล้วก็ทำให้ตกอยู่ในความเสื่อมชีวิตและสังคมแบบนี้จะเสี่ยงต่อความเสื่อมละภัยอันตรายเพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยทาตามหลักสี่ประการที่กล่าวมา าพุทธจะปฏิบัติตัวอย่างไรทีนี้สำหรับคนทั่วไปก่อนจะเข้าถึงหลักการของพระพุทธศาสนานั้นเราต้องยอมรับความจริงว่าคนก็ยังมีความอ่อนแอคนจำนวนมากยังอ่อนแอมากบางคนแม้ที่ว่ามีปัญญานึกว่าตัวเองเป็นคนมีปัญญาแต่ไม่ใช่มีปัญญาจริง คือยังไม่ได้มีความรู้ความเห็นความเข้าใจจริงและจิตใจก็ไม่หนักแน่นไม่มีสมาธิเวลาเกิดเหตุร้ายพยันตรายชนิดเฉพาะหน้าปัจจุบันทันด่วนบางทีตั้งจิตตั้งใจไม่ทันเป็นนักคิดชอบคิดชอบใช้ปัญญาแต่บางทีไปแพ้คนที่เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธ์ก็ได้เชื่อไหมทาไมจึงแพ้ก็เพราะว่าจิตใจฟุ้งซ่านและยังมีความอ่อนแออยู่ในตัว พอประสบเหตุร้ายตั้งจิตตั้งใจไม่ทันตั้งสติไม่ทันสมาธิไม่มาถูกความหวาดกลัวครอบงำลงไปถึงจิตไร้สำนึกมันเลยขั้นที่จะนึกจะคิดแล้วจิตใจเตลิดเปิดเปิงควันหายใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคิดอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกหลับไปแพ้คนที่เขามีสติปัญญาน้อยกว่าที่เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้แหละ ส่วนที่เป็นประโยชน์ของความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือมันเกิดเป็นความมั่นใจมั่นใจแล้วก็ทำให้จิตรวมตัวคนที่มีความเชื่อ ย, ยึดในอะไรสักอย่างแม้แต่กิงคาตะไคร้ใบมะกรูดพอเกิดเหตุร้ายปัจจุบันทันด่วนชนิดตั้งสติไม่ทันนี่เพราะความที่เชื่อมันในสิ่งนั้นจิตก็รวมได้จิตตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นมันก็เลยไม่เลิดเปิดเปิงไม่ขวัญหนี พอตั้งสติได้ใจอยู่กับตัวจิตใจมันอยู่ก็คิดอะไรได้ก็เข้มแข็งก็ไม่เสียหลักทําให้ทําการต่างๆตั้งตัวอยู่ได้แต่ส่วนคนที่ว่าไม่เชื่ออะไรเลยทําเป็นว่าเป็นคนมีปัญญาแต่ใจก็ไม่มั่นคงแข็งแรงพอเจอเหตุร้ายอย่างนี้ตั้งสติไม่ทันใจไม่รวมไม่มีสมาธิอย่างที่ว่าไปแล้วเลิดเปิดเปิง ใจไม่รู้ไปไหนเลยทำอะไรไม่ถูกสักอย่างเสียหลักเลยเลยกลับแย่เพราะฉะนั้นจึงต้องไม่ประมาทในเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ยังอ่อนแออยู่นี้ท่านก็เลยยอมให้ในขั้นเบื้องตน้นแต่ต้องไม่ให้เสียหลักคือเมื่ออาศัยความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นพอให้ใจอยู่กับตัวแล้วจะต้องต่อด้วยความไม่ประมาท ต้องต่อด้วยการกระทำความเพียรพยายามไม่ใช่เชื่อแล้วก็ไปฝากความหวังไว้มัวรอพึ่งสิ่งเหล่านั้นถ้าอย่างนั้นก็เสียหลักเป็นการผิดหลักความไม่ประมาทแล้วก็ผิดหลักการเพียรพยายามกระทำการให้สาเร็จนี่เป็นจุดสำคัญตอนที่คนยังอ่อนแอยังมีจิตใจไม่มั่นคงมีปัญหาชนิดที่ไม่แท้ไม่จริงคือยังไม่รู้จริงท่านก็ยอมให้อาศัยความศักดิ์สิทธิ์ได้บ้าง แต่ท่านให้เอาความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไว้ที่พระรัตนตรัยเสียจะได้เป็นทางเชื่อมให้เดินหน้าเข้าสู่ทางต่อไปได้พอเชื่อพระรัตนตรัยมั่นใจแล้วพระรัตนตรัยจะจูงเราขึ้นต่อไปศา ส, สนานั้นมีความหมายอย่างหนึ่งที่ว่าไปแล้วคือคนทั่วไปจะมองว่าศา ส, สนาเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนียวจิตใจ เป็นเครื่องช่วยปลอบประโลมจิตใจบำรุงขวัญทำให้สบายใจแต่จุดนี้เป็นจุดที่อันตรายด้วยถ้าเราไปมองว่าศาสนาเป็นแค่นี้แล้วก็ใช้ไม่ได้ผิดศา ส, สนาถ้าเป็นแค่นี้แล้วก็จะมีคุณเพียงส่วนหนึ่งแต่อาจมีโทษมากมายเพราะฉะนั้นที่ว่าศาสนาเป็นที่พึ่งที่ยิบเหนียวจิตใจนั้นต้องแบ่งเป็นสองแบบ คือแบบหนึ่งเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชนิดที่เหนียวแล้วดึงลงหมายความว่าดึงให้หมกให้จมอยู่กับการหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นเรื่อยไปเลยเกาะเพลินอยู่นั่นเองไม่ต้องคิดเพียรพยายามทำอะไรก็วนเวียนอยู่แค่นั้นพฤติกรรมจิตใจและปัญญาก็ไม่เจริญไม่ได้ฝึกปรือพัฒนาตนเองอีกแบบหนึ่ง เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่เหนี่ยวแล้วดึงขึ้นคือเหนี่ยวพอให้เป็นที่เกาะผ่านเท่านั้นเนี่เมื่อคนเขายังไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงเหมือนยังว่ายน้ำไม่เป็นพอได้ที่เกาะไว้ก่อนแต่ตัวศาสนาเองอยู่เลยจากนั้นไปต่อจากนั้นจะต้องช่วยให้เขาเข้มแข็งขึ้นแล้วให้เขาเดินหน้าต่อไปสู่ตัวศาสนาที่แท้จริงไม่ใช่จมวนอยู่แค่นั้น พระพุทธศาสนายอมให้ในแง่ที่สองถ้าเราบอกว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาคือเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพูดแค่นี้ไม่ได้ไม่ถูกเราตัวพระพุทธศาสนาอยู่ที่การพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นฉะนั้นการที่มายึดเหนี่ยวก็เป็นเพียงได้อาศัยเพื่อจะเหนี่ยวแล้วดึงขึ้นไปเพื่อจะเดินหน้าต่อไป ในการที่จะพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นทั้งด้านพฤติกรรมกายวาจาทั้งด้านจิตใจและในด้านปัญญายึดถือแล้วหลอบใจสบายใจอุ่นใจนอนใจรอให้ท่านบรรดาลให้เท่ากับทางตันมีโทษมากยึดถือแล้วรวมใจได้เกิดกำลังใจมั่นใจ ทำการอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นไปเท่ากับมีทางเดินต่อพอรับได้อย่างไรก็ตามแม้แต่การเชื่อหรือนับถือแบบหลังที่พอยอมรับได้ก็ยังไม่ปลอดภัยนอกจากงอนเงนแล้วเพราะกำลังใจกำลังศรัทธาเกิดจากความเชื่อไม่ใช่เกิดจากปัญญารู้ความจริงจึงอาจจะถูกความเชื่อจูงให้มีกาลังเข้มแข็งในทางที่จะทาสิ่งที่ผิด ให้รุนแรงกลับมีโทษมากยิ่งขึ้นไปอีกสำหรับคนที่อย่างอ่อนแอเมื่ อ, อยังหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรื อ, อยังต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเอาความศักดิ์สิทธิ์มาไว้ที่พระรัตนตรัยด้านหนึ่งเพื่อจะได้กั้นกรองจํากัดไว้ไม่ให้ผู้คนถูกจูงเขวออกนอกลูก่นอกทางไปกันใหญ่เพราะลัทธิศา ส, สนาแบบไยศาสตร์มากมายเป็นเรื่องสนองกิเลส ทั้งโลภะและโทสะของคนพาคนให้ยุ่งวุ่นวายอยู่กับกิเลสเหล่านั้นอย่างน้อยก็รังไว้ไม่ให้ถูกดึงลงไปหลงจมวนเวียนแช่อยู่ในโมหะอีกด้านหนึ่งเพื่อทำความศักดิ์สิทธิ์นั่นเองให้ประนีตให้สูงให้ดีงามขึ้นไปไม่ให้ความศักดิ์สิทธิ์อยู่กับอำนาจศักดานุภาพหรืออิทธิพลความยิ่งใหญ่ที่จะดนบันดาลแบบวูบวาบไม่ยั่งยืน แต่ให้ความศักดิ์สิทธิ์เกิดจากคุณานุภาพคืออำนาจความบริสุทธิ์และคุณธรรมประกอบด้วยพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณที่เป็นของยั่งยืนอีกด้านหนึ่งเพื่อจะได้เป็นการสะดวกที่จะดึงคนทั้งหลายที่มาพึ่งนั้นให้ก้าวต่อสูงขึ้นไปสู่การพัฒนาชีวิตด้วยศีลสมาธิและปัญญาจนถึงวิมุติในที่สุด เพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจว่าการยืดเหนียวเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นไม่ใช่ยืดเหนียวแล้วก็เลยจมเพลินวนเวียนอยู่แค่นั้นจุดสำคัญอยู่ที่เหนียวแล้วดึงขึ้นแล้วให้เดินหน้าต่อไปด้วยตรงนี้แหละที่เป็นลักษณะ ส, สำคัญพระพุทธศาสนาเน้นตรงนั้นความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นโบราณเขาก็มีอยู่แล้วก่อนพุทธศาสนา ถ้าศาสนาเป็นได้แค่ที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็ไม่จำเป็นต้องเกิดพุทธศาสนาเพราะคนอินเดียเ็ามีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีเทวดาให้นับถือเยอะแยะมีแม้แต่พระพรหมที่ว่าดนบันดาลทุกอย่างได้จนคนพากันเชื่อในพรหมลิขิตการที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็เพราะศาสนาก่อนนั้นมัวเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชนิดเหนียวแล้วดึงลง ให้หลงให้จมให้หมกอยู่ในการพึ่งพาอำนาจภายนอกรอผลโดนบันดาลพระพุทธศาสนาก็เลยเกิดขึ้นมาแก้ไขโดยมาเหนี่ยวให้ดึงขึ้นเพื่อจะให้ประชาชนได้พัฒนาในเรื่องความประพฤติทั้งกายวาจาแล้วก็พัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญาให้ตนเองได้ดีขึ้นจนเป็นอิสระต่อไปอันนี้จึงจะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา ชาวพุทธเรานับถือพระพุทธศาสนาไม่ใช่เอาแค่ว่ายึดเหนี่ยวจิตใจให้สบายแล้วก็จบแต่ต้องเอามาใช้ปฏิบัติเอามาใช้พัฒนาชีวิตของเราให้ดีงามทั้งกายวาจาและจิตใจพร้อมทั้งปัญญาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะในที่สุดเราต้องเป็นอิสระพึ่งตนเองได้ เราควรนับถือศาสนาอย่างไรการที่ศาสนาเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างเดียวนั้นไม่ปลอดภัยอย่างที่ว่ามีคุณนิดหน่อยแต่มีโทษมากมายแม้แต่ความมั่นใจที่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นความมั่นใจที่ไม่เด็ดขาดอย่างงอนแงนและมีภัยความมั่นใจนั้นมีสองแบบคือ 1. ความมั่นใจด้วยศรัทธา คือความเชื่อต่อสิ่งภายนอก 2. ความมั่นใจด้วยปัญญาของตนเองที่รู้ความจริงความมั่นใจที่เกิดจากศรัตนั้นก็แข็งแรงมากบางทีแข็งไม่ลืมหูลืมตาจนถูกเขาจูงเอาไปรบราฆ่าฟันกันแต่เป็นการเชื่อต่อสิ่งภายนอกมาช่วยทําให้ไม่ใช่ตัวเราทําเองต่างกับมั่นใจด้วยปัญญาที่เรามองเห็นความจริงเราทําเองได้ อันนี้เทียบได้กับความมั่นใจของคนตาบอดหรื อ, อยังน้อยความมั่นใจของคนที่หลับตากับความมั่นใจของคนที่ลืมตาหรือตาดีความมั่นใจของคนที่ศรัทธาก็เหมือนความมั่นใจของคนตาบอดหรือหลับตามีราวมีที่เกะาะก็เกิดความมั่นใจว่าโอเราได้ที่เกาะแล้วเราจะไปได้มั่นใจอันนี้แต่มองไม่เห็นว่ารอบนอกข้างๆตัวและข้างๆราวนั้นมีอะไร หมอมีรู้เรื่องแต่ได้ความมั่นใจขึ้นมาว่าเราอาศัยราวนี้จะเดินไปถึงที่หมายได้หรือมั่นใจว่ามีท่านผู้มีกําลังมาช่วยอยู่ท่านจะช่วยพาเราไปแต่ไม่เป็นตัวของตัวเองแต่ถ้าเป็นความมั่นใจด้วยปัญญาจะเป็นความมั่นใจของคนตาดีหรือลืมตาซึ่งมองเห็นหมดอะไรเป็นอะไรจะสําเร็จได้อย่างไร ตัวเองจะต้องทำอะไรตรงไหนที่ใดเห็นโล่งไปตลอดเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนานี้เบื้องแรกท่านก็ยอมให้มั่นใจด้วยศรัทธาแต่ต้องมีปัญญาประกอบให้เห็นเหตุเห็นผลและสุดท้ายต้องพัฒนาให้เป็นความมั่นใจด้วยปัญญาคือด้วยการที่ตัวเองรู้เข้าใจความจริงมองเห็นเหตุผลในสิ่งนั้นแล้วทาด้วยตนเองได้ด้วยเหตุ น, นี้ พระพุทธศาสนาจึงสอนหลักการไว้หลายขั้นหลายตอนชาวพุทธจะต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจและปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องความเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องไสยศาสตร์ผีสางเทวดาอะไรต่ออะไรนี่ถ้ายังถืออยู่ก็เอาเพียงว่าช่วยให้มั่นใจจิตใจรวมได้ในขณะที่เรายัางอ่อนแออยู่เอามาเป็นขั้นต้นในการเกาะให้ทรงตัวตั้งตัวอยู่ได้ก่อน แต่จะหยุดอยู่แค่นั้นเท่านั้นไม่ได้ต้องก้าวต่อไปถ้าแม้ถ้าเชื่อสิ่งเหล่านั้นก็อย่าให้เสียหลักสี่ประการที่ว่าไปแล้วอย่าให้เสียหลักที่หนึ่งคือการกระทำการด้วยความเพียรพยายามของตนคือเชื่อแล้วจะต้องให้เข้มแข็งในการกระทำยิ่งขึ้นอย่าไปเชื่อแล้วก็เลยสบายใจนอนใจว่าท่านจะทาให้บรดาให้แล้วก็นอนรอ อย่างนี้ผิดหลักท่านเรียกว่าผิดหลักกรรมหลุดจากพระพุทธศาสนาเลยอย่าให้เสียหลักที่สองคือจะต้องไม่ให้ผิดหลักฝึกฝนพัฒนาตนจะต้องคิดต้องพิจารณาต้องหาทางแก้ปัญหาปึกปรือตัวเองให้เข้มแข็งทำอะไรต่ออะไรให้เก่งให้ดียิ่งขึ้นอย่าให้เสียหลักที่สาม คือต้องให้อิสระพึ่งตนเองได้ไม่ใช่ไปฝากความหวังให้ท่านช่วยแล้วแต่ท่านหมดอิสระภาพของตัวเองแล้วก็อย่าให้เสียหลักที่สี่คือต้องไม่ให้ผิดหลักความไม่ประมาทถ้าไปประมาทเสียลอยปละละเลยให้เวลาผ่านไปเปล่าๆผิดแน่ๆเป็นอันว่าถ้าเชื่อก็อย่าให้ผิดหลักสี่ประการนี้ แล้วก็อาศัยพอให้เกิดกำลังมั่นใจแล้วก้าวต่อไปถ้าตัวเองพัฒนาต่อไปแล้วก็จะพ้นจากสิ่งเหล่านี้เองเมื่อเราเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไปเราก็ไม่ต้องอาศัยแล้วเราจะพ้นจากความมั่นใจแบบคนตาบอดหรือคนหลับตาไปสู่ความมั่นใจของคนที่ลืมตาหรือตาดีคือมั่นใจด้วยปัญญาไม่ใช่เพียงด้วยศรัทธา พระพุทธเจ้าที่ทรงสาเร็จบรรลุโพธิญาณ น, นั้นทรงผ่านมาแล้วอย่างหนักหนาทั้งโชคและเคราะห์พระองค์ถึงคราวโชคพระองค์ก็ใช้มันเป็นปัจจัยในการทำประโยชน์ทําความดียิ่งขึ้นไปถึงคราวเคราะห์พระองค์ก็ไม่หนีทรงเผชิญเคราะห์และจัดการกับเคราะห์แก้ไขพันแปรมันพระองค์จึงมีพระบารมีแก่กล้าขึ้นมา พระองค์บำเพ็ญบารมีมากมายจากการจัด ก, การกับเคราะห์นี่แหละแล้วทำไมชาพุทธลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจะคอยรอเอาแต่โชคพอเจอเคราะห์ก็จะหนีอย่างเดียวไม่รู้จักจัด ก, การเอาประโยชน์จากเคราะห์แล้วใช้เคราะห์เป็นที่พัฒนาบารมีของตนบ้างคนนับถือศาสนาแบบศิยศาสตร์เพื่อขอให้ช่วยบรรดาลให้มีโชคดีหนีเคราะหร้าย เวลามานับถือพระพุทธศาสนาก็เลยจะนับถือแบบนั้นเอาแค่นั้นเรียกว่าไม่พัฒนาการนับถือศาสนาหรือเลยพลอยทำให้พระพุทธศาสนามีความหมายแค่นั้นคนจำนวนมากนับถือศาสนาเพียงเพื่อหวังจะหนีเคราะห์และขอโชคแต่ชาวพุทธแท้นับถือศาสนาเพื่อช่วยให้เราพัฒนาความสามารถที่จะเปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชค พระพุทธศาสนาไม่ใช่มีไว้เพื่อให้เราขอโชคและขอให้ช่วยหนีเคราะหแต่ประโยชน์ที่เราควรจะได้จากพระพุทธศาสนาก็คือความสามารถที่จะชนะเคราะ์และสร้างโชคท่านสอนใหเรารู้จักเผชิญและจัดการกับเคราะ์เพื่อให้ตัวเราเองพัฒนาดีขึ้นแล้วรู้จักใช้โชคให้นำโชคยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยไม่ใช่เอาแต่หนีเคราะหกลายเป็นคนอ่อนแอจะถอยอยู่เรื่อย แล้วเวลามีโชคก็หลงเราเริงเพลิดเพลินจนโชคหมดหายกลายเป็นเคราะห์ไม่รู้จักพัฒนาโชคต่อไปทำอย่างไรจะพ้นเคราะ์ได้จริงคนไทยเรานี้เวลาเกิดสถานการณ์ต่างๆที่เป็นเหตุร้าย ก็จะมีคนหลายระดับเราจะต้องเห็นใจกันคนที่ยังมีจิตใจอ่อนแอเราก็ให้โอกาสเข้าบ้างการโอดโอยโวยวายคล้ามรวนจะมีบ้างเราก็เห็นใจแล้วรู้ทันอย่าไป น, นึกอะไรมากฟังเข้าไปนาจะด่าจะว่าก็ฟังได้ถ้ายิงเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารก็ยิงต้องอดทนต้องให้เขาระบายไม่ไปต่อล้อต่อเถียง แล้วก็ปลอบโยนให้สติเขาดีๆตามเหตุตามผลแม้แต่เทวดาก็ยังต้องยอมให้โอกาสคนอย่างที่ว่าฝนตกก็แช่งฝนแรงก็ด่าขอแต่ว่าเมื่อโอดครวนกันแล้วก็อย่าไปจบไปหยุดอยู่แค่นั้นต้องผ่านขั้นนี้ไปพอระบายอารมณ์แล้วก็ตั้งสติสงบแล้วรีบหันมาทำการแก้ไขด้วยปัญญา และเอาเหตุการ์ร้ายหรือปัญหามาใช้ให้เป็นประโยชน์ปัญหาจะต้องใช้เป็นเวทีพัฒนาปัญญาคือปัญหาเกิดขึ้นแล้วถ้าเราใช้ความคิดพิจารณาค้นหาเหตุปัจจัยและหาทางแก้ไขเราจะพลิกปัญหาให้เป็นปัญญาเปลี่ยนอักษรตัวเดียวจากปัญหาก็เป็นปัญญาไปคนที่เก่งนั้นเขาเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญา และใช้ปัญหาเป็นเวทีพัฒนาปัญญาแล้วก็เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโอกาสเวลาทุกยากนี่เป็นประโยชน์มากเวลาสุขสำราญต่างหากที่มักทำให้มัวเมาประมาทพระพุทธศาสนาสอนว่าถ้าความรุ่งเรืองความสำเร็จเกิดขึ้นอย่ามัวเมาต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์เอามันเป็นปัจจัยในการสร้างสรรยิ่งขึ้นไปคราวเคราะห์มัวครวน ยามโชคก็เหลิงเอาแต่นี้เคราะห์และคอยโชคคนอย่างนี้เคราะเรียกหาแต่คนเป็นมหาบุรุษได้ด้วยการพันเคราะห์ให้เป็นโชคและพันโชคให้แพ่ประโยชน์สุขในด้านนี้สังคมไทยเราอาจจะพลาดไปแล้วเมื่อตอนเราฟุ้งเฟืองสบายมีพรั่งพร้อมททนที่เราจะเอามันเป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์ เรากลับไปหลงระเริงมัวเมาประมาทนี่ท่านเรียกว่าทำโอกาสให้เป็นเคราะห์แทนที่จะใช้โอกาสนั้นในการสร้างสรรยิ่งขึ้นไปทีนี้ถึงเวลานี้เราแย่ลงไปเป็นเคราะห์แล้วถ้ามัวไปตีอกชกหัวเจ้าโศกโอดรวนก็กลายเป็นซ้ำเติมตัวเองเคราะหหนักเข้าไปอีกถ้ามีสติ ป, ปัญญาตอนนี้ได้สติ แล้วใช้ปัญญาก็ทําเคราะห์ให้เป็นโอกาสเสียเพราะการทุกยากเดือดร้อนนี่แหละมักเป็นเวลาที่ดีที่สุดคนที่จะเจริญก้าวหน้าได้โดยมากต้องเจอปัญหาจะได้ฝึกตัวเองให้เข้มแข็งแล้วเคราะห์เนี่ยก็ช่วยให้ทั้งสังคมทั้งชีวิตคนประสบความสําเร็จมามากมายจากการเจอเคราะห์เจอปัญหาแล้วถ้าเราตั้งตัวดีมีท่าทีถูกต้อง เราก็จะมีความเข้มแข็งพยายามต่อสู้ดิ้นรนขวนขวายแล้วเราจะได้พัฒนาความสามารถเราจะได้การฝึกฝนตนฝึกปรือตัวเองแล้วได้ปัญญาความสามารถมากขึ้นมากขึ้นแล้วชีวิตและสังคมก็จะเจริญก้าวหน้าต่อไปขอย้ำคติที่ว่าไว้ข้างต้นอีกครั้งหนึ่งว่าคนฉลาดทำเคราะห์ให้เป็นโอกาส แต่คนประมาททำโอกาสให้เป็นเคราะเป็นอันว่าตอนนี้มีเคราะห์แล้วยอมให้มีความเศร้าโศกเสียใจอดครวนกันชั่วระยะสั้นๆพอระบายเสร็จแล้วก็ให้รีบตั้งสติต่อไปนี้ก็รีบมาดีใจว่าเจอเคราะห์แล้วทำมันให้เป็นโอกาสผ่านเคราะห์ให้เป็นโอกาสแล้วเราก็จะเจริญก้าวหน้าต่อไปไม่ต้องกลัวฉะนั้น อย่าไปหมดกำลังใจพระพุทธศาสนาไม่สอนให้เราท้อแท้ไม่สอนให้เราท้อถอยอ่อนแอเมื่อเราเจอปัญหาเจอเคราะกรรมเจอภัยอันตรายแล้วให้เข้มแข็งแล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์ในการฝึกปรือตัวเองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปแล้วเราจะมีความชํานิชำนาญยิ่งขึ้นในการที่จะแก้ปัญหาในการที่จะผจญเคราะกรรมภัยอันตรายให้ผ่านก้าวไปสู่ความสำเร็จ ในการสร้างสรรพัฒนาได้ต่อไปวันนี้ขอให้คติแก่โยมในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อสถานการโดยโยงไปหาเรื่องสยศาสตร์แล้วให้นำมาสู่พระพุทธศาสนาอย่างที่ว่ามาหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างแก่ญาติโยมในแง่เป็นคติความคิดจากการได้เรียนรู้หลักการของพระพุทธศาสนาขออนุโมทนา ย, ย ม, ามิตรทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ขอตั้งจิตตั้งใจรัตนาคุณพระรัตนตรัยโดยเฉพาะคุณธรรมความดีที่โยมทุกท่านได้บําเพ็ญนี่แหละให้มาเป็นเครื่องบํารุงจิตใจให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นไปเราทําความดีเรามีจิตใจที่มีสติดํารงมั่นมีสมาธิไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนใจไม่เสียขวัญไปในโอกาสสาคัญที่เป็นบททดสอบนี้เรามีกําลังใจเข้มแข็ง เราจะผ่านพ้นภัยอันตรายไปได้และจะมีความเจริญรุ่งเรืองขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จชนะอุปสรรคอันตรายและทำความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นตั้งแก่ชีวิตของตนและสังคมส่วนรวมสืบต่อไปตลอดกาลทุกเมื่อ ถ้าอยากพ้นวิกฤตต้องเลิกติดไสยศาสตร์โดยสมเด็จพระพุทธโคส า, าจารย์ปออประยุตโตจากต้นฉบับ พ, พิมพ์ครั้งแรกพุทธศักราช2540เสียงอ่านโดยอริยะคุณจมลมผลดีจัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดยครอบครัวลิ้วสัมฤทธิ์และครอบครัวพันเกศมงคลเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางโดยไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น และห้างตัดต่อดัดแปลงแก้ไขเด็กขาดสาภาทฐานังธรรมทานังชินนาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง